และอธิษานน่ที่บรรดานักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งหลายเคยไปทำการวิจัยบอกว่าออพระโพธิสัตว์โดยเฉพาะพระเวสสันดรเนี่ยบอกเจริญอติธานนงมาทานที่เกินก็เหตุไปให้บุตรก็ดีให้ภรรยาก็ดีันเกินเกินมนุษย์มนาที่จะให้แล้วงั้นเนี่ยอันนี้คือความไม่เข้าใจความไม่เข้าใจฉะนั้นถ้าเข้าใจกลุ่มนามธรรมที่เป็นกุศลจริงๆแล้วเนี่ย ที่เป็นความให้แบบชาญฉลาดเป้าหมายสูงสุดคือสัมมาสัมปวิยาณ น, นะต้องรู้เฉียดผลใด้ดีแล้วก็ต้องถอดเนื้อควาออกมาให้ดีนะถ้าอย่างนั้นจะเป็นจุดบอดแห่งการทําให้คนเข้าใจว่าเอ๊ะเป็นความงมงายหรือเปล่าการให้ในคําสอนของบุรุษเจ้าตงจริงไม่ใช่เลยทีนี้ปราศจากความกําหนดดุดต้นไม้ที่ปัญญาจริงอยู่นะการบวิจากโดยการประกอบด้วยความฉลาดเนะี่ยด้วยอุบายที่เป็นปัญญาเนะี่ยย่อมเข้าถึงความเป็นทานาบรามีเพราะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น เพราะว่าทานเป็นเช่นกับกำไรนะอันเป็นประโยชน์ของตนถ้าถามบอกว่าถามว่าเราให้ประโยชน์แก่คนอื่นก็จริงแต่ผลกล่าวคือกำไรที่เกิดขึ้นเนะี่ยมันเป็นประโยชน์ส่วนตนด้วยนะอย่าลืมนะใช่ไหมเล่าถามว่าสัมมาสาัมโพธิญาณปัจเจกโพธิญาณสาวกสาโพธิญาณทั้งหลายที่เกื้อมลายที่ได้จากการสละจากการให้ถามว่าเราต้องการกาไรแบบนี้ไว้เล่ ต้องการผลต้องการกําไรอย่างนี้ว่าเราเราปรารถนาจะเป็นอย่างนี้ไหมจะเป็นบุรุษแบบนี้หรือเป็นสตรีแบบนี้ประเภทที่ยังไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรเลยจากผลของทานเนี่ยถ้าปรารถนาแค่นี้ก็อยู่แค่นี้เผลอจะตามต้อยกว่านี้โดยซ้ําไปในภพถัดไปยังไม่ล่ะแต่ถ้าปรารถนากําไรที่เลิศผลที่เลิศเช่นการเป็นสาวกของพระเจ้าและได้บรรลุธรรม การเป็นพรอปเจตพระเจ้จาหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยฉะนั้นที่ส่วนจริงก็ต้องมาเรียนรู้และทําความเข้าใจทั้งหมดเรื่องทานกุศลดังกล่าวมาที่เอาบอกว่าปัญญามาวิจัยทานเพื่อให้ปัญญาเพื่อให้ปัญญานั้นนําทานบา ร, รมีเห็นไหมว่าถ้าปัญญาไม่นําทานนบา ร, รมีทานนั้นก็ไม่เรีย ก, กว่าบา ร, รมีจะไม่เรีย ก, กว่าบา ร, รมีได้ไงมันจะเต็มได้ไงมันก็มันก็หมุนกลับไปกลับมาอยู่ในวัตะก็ไม่เป็นปัญญาบารมีทานก็ไม่เต็มปัญญาก็ไม่เต็ม อันหนึ่งความบริสุทธิ์แห่งศีลโดยไม่ปราศจากความเศร้าหมองหมายความว่าอะไรคือความเศร้าหมองของศีลตัณหาตัณหาคือความทยานอยากเป็นความเศร้าหมองของศีลมานะคือความเย่อหยิ่งถือตัวก็เป็นความเศร้าหมองของศีลทิฏฐิคือความเห็นผิดก็เป็นความเศร้าหมองของศีลย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่มีปัญญาเข้าใจไหมลองฉะนั้น ถ้าหากยังมีศีลที่เป็นไปกับตัณหามานาทิฏฐิศีลที่เป็นไปกับตัณหามานาทิฏฐิย่ำเกิดไม่ได้ก็หมายความบอกว่าศีลที่จะ บ, บ, บริบูรณ์เต็มไม่ได้เลยเพราะมีตัณหามาทิฏฐิแวดล้อมแต่เพราะไม่มีวัญญาการอาธิษฐานคุณธรรมเนี่ยความเป็นสัพพัญยูสัพพยุติยานจะมีได้แตที่ไหนถามว่าศีลบา ร, รมีเนี่ยถ้าไม่บริบูรณ์นะไม่เต็มเนี่ยความเป็นพุทธเจ้า ก, ก็มีไม่ได้เหตุผล เหตุผลเพราะไม่เห็นโทษไม่เห็นโทษของราคาคือความกำนัดไม่เห็นโทษของทิฏฐิคือความเห็นผิดไม่เห็นโทษของมานะคือการเย่อยิงถือตัวทั้งหลายยังไม่รูฉะนั้นการรักษาศีลโดยการสำคัญผิดโดยความเข้าใจผิดโดยการยึดติดกับตัณหามานะและทิฏฐิถามบอกว่าไม่เป็นปัจจัยต่อสัมปญญาผู้มีปัญญาเท่านั้นจึงจะพิจาราเห็นโทษในการคลองเรือนในการมคุณและในสงสารวัตรและในอริสง์ ถ้าเรามองอย่างนี้ก็จะเห็นชัดตันหาเป็นอันตรายกับศีลฉะนั้นคนไม่มีปัญญาเวลารักษาศีลก็เป็นไปกับตันหาเป็นไปกับการยึดติดเป็นไปกับการยินดีเป็นไปกับการเพลิดเพลินใช่ไหมล่ะยินดีสียินดีเสียงยินดีกลิ่นยินดีรสยินดีสัมผัสยินดีบ้านเรือนยินดีอะไรสรารพัดหมดแหละแต่ก็ยังรักษาศีล อย่างนั้นก็เรศีล น, นั้นมีตันหารูปคำอยู่ไม่บริสุทธิ์เพราะความไม่มีปัญญาจึงเลยไม่เห็นโทษของตันหาอีกกลุ่มหนึ่งรักษาศีลแต่มีมานะเข้าจับใช่มมานะก็พองว่าเราเป็นผู้มีศีลคนอื่นไม่มีศีลเท่าเราเราเป็นผู้รักษาศีลแปดบ้างรักษาศีลห้าบ้างคนอื่นเหล่านี้ทุศีลหมดเลยสู้เราไม่ได้เลย นิสัยก็เป็นไปกับตันหาเพราะไม่มีปัญญานี่แหละกำจัดความความเศร้าหมองไม่ได้กําจัดมานะไม่ได้ทีนี้อีกอย่างหนึ่งคือทิฏฐิคือความเห็นผิดไอ้ความเห็นผิดคือไปสําคัญผิดใช่ไหมไปรักษาศีลแต่ความเข้าใจศีลไม่ชัดด้วยความเข้าใจศีลไม่ชัดถ้าเป็นทิฏฐิธรรมดาก็อีกอย่างทิฏฐิอีกอย่างก็บอกไปเข้าใจว่าเออเนี่ยการรักษาศีลอย่างนี้นี่แหละ จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้เราเนี่ยตายตายไปแล้วเนี่ยบอกว่าเออต่อไปเนี่ยบอกว่าบางกลุ่มก็เห็นว่าเที่ยงบางกลุ่มก็เห็นว่าขาดศูนย์นั้นกลุ่มหนึ่งนะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งไปสําคัญผิดก็เลยบอกว่าบอกว่าศีลนี้เท่านั้นจะเป็นปัจจัยตัวเองบริสุทธิ์ก็ยึดยองอยู่กับศีลก็มีนะกลุ่มแบบเนี้นะสรุปก็คือความสําคัญผิดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเป็นตนว่าเรานั่นแหละเป็นผู้รักษาศีล ที่สุดจริงๆเป็นสัตว์บุคคลเป็นผู้รักษาศีลก็มีนะแท้จริงศีลเป็นสภาวธรรมไหมศีลคือตัวเจตนาเจตนาที่เป็นไปกับกุศลเน่ยเป็นเจตนาศีลศีลเป็นตัวอโลพะคือความไม่โลภศีลเป็นตัวอะโทสะคือความไม่โกรธศีลเป็นตัวปัญญาคือไปเข้าใจกรรมและผลของกรรมยิ่งรักษาศีลศีลเป็นตัววิรตีเป็นสภาพที่งดเว้นบาป ถ้าสภาพที่เป็นงดเว้นจากบาปทางกายเรียกว่าสัมมากรรมตะสภาพที่เป็นงดเว้นบาปทางวาัดทางวาจาเขาเรียกว่าสัมมาวาจาถ้าไปงดเว้นบาปจากการเลี้ยงชีพเป็นสัมมาชีวะตัวสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะเป็นวิรติศีลเนี่ยตัวเหล่านี้จะไปตัดรอนเวลเจตนาอากุศลที่เป็นบาปที่จะเป็นเหตุแห่งการาเรากระทาผิดทางกายทางวาจารหรือเป็นเหตุแห่งการเลี้ยงชีพที่ผิด ก็จะไปตัดรอนเจตนาที่เป็นบาปเหล่านี้เห็นไหมมันเป็นเรื่องของสภาวธรรมแต่สัตว์ที่มีทิฏฐิคือความเห็นผิดก็สำคัญว่าไม่ใช่สภาวธรรมกลายเป็นเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องหญิงเรื่องชายเป็นผู้ที่ไปรักษาศีลที่จริงความเข้าใจก็ไม่ชัดนี้แหละศีลเหล่านี้แหละจึงเป็นตัวปิดกั้นแห่งการบรรลุทุกระดับ ในระตตพัตาปา마ต์ถ้าเอารุนแรงเลยก็กือโควัดสุนักวัดคิดว่าจะบริสุทธิ์ได้ด้วยการรักษาศีลที่อีกอย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไปสําคัญผิดนะไอ้คำว่ า, าศีลรัตตพัตตาปา마ตไปสําคัญผิดว่าการปฏิบัติอย่างนี้เช่นประพฤติเยี่ยงโคเยี่ยงสุนักเป็นต้นใช่ไหมการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เท่านั้นที่จะเป็น ทำให้ตนเองเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้และอีกอย่างหนึ่งด้วยนะถามบอกว่าบางกลุ่มเนี่ยไปเข้าใจว่าการรักษาศีลแล้วตนเองเจริญสมาธิได้สมาบัติจะเป็นเหตุแห่งความพ้นทุกข์แต่อีกกลุ่มในก ร, กรณีอย่างนี้อันนั้นเป็นกลุ่มที่ที่กล่าวไว้อีกที่หนึ่งตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดว่า ถ้าพูดอย่างนี้หมายถึงอะไรรู้ไหมหมายามบอกว่าคนที่รักษาศีลบางท่านไปสําคัญผิดว่าศีลเท่านั้นจะทําให้ตนเองบริสุทธิ์ไม่ไม่ต้องต่อสมาธิเป็นประธาตฐานหรือปันไม่ต้องต่อสมาธิและปัญญาถ้าในกรณด น, นี้ก็เป็นศีลที่เป็นไปกับในวัตฏะเออถ้าเราไปดูในศีลอนิเทศหนึ่ยเขาในในศีลนิเทศรู้ปะ ศีลศีลที่เป็นอย่าลืมนะว่าตัวศีลเน่ยถ้าศีลที่ประชมในอริยมรรคก็เป็นศีลใช่ไหมศีลที่ประชมในในมหาคตะในมหาคตะจิตเนี่ยจะไม่มีสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะแต่จะไป ม, มีกลุ่มพวกเจตนาศีลแต่ถ้าถามบอกว่าคนไปเข้าใจว่าศีลอย่างเดียวเท่านั้นจะเป็นปัใจจัยให้เข้าถึงความบริสุทธิ์ลักษณะนี้ก็คือความไม่ไม่บริบูรณ์ในการเข้าใจเรื่องศีล ฉะนั้นในกรณีอย่งการเรื่องคําว่าศีลเนี่ยต้องดูว่าศีลที่ท่านตรัสหมายจริงๆเนี่ยนะถ้าดูอย่างว่าถ้าประเพฤตที่เห็นชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของศีลรัพรตพตปรามมาสเนี่ยท่านจะพูดถึงว่าไปเข้าใจว่าจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยศีลอย่างเดียวอีกอย่างหนึ่งถ้าพูดกันโดยตรงโดยหลักที่ท่านจัดไว้เลยก็คือนั่นแหละเป็นศีลรัตพตาปรามมาสเลยก็กลุ่มพวกประคฤตเยี่ยงโคเยี่ยงสุนักไป้เลย เช่นว่าการปฏิบัติในลักษณะอย่างนี้เท่านั้นจะทําให้ตนเองเข้าถึงความมือสุดก็ถือข้อวัดปฏิบัติเหมือนเยี่ยงโคเลยบางอีบางกลุมก็เหมือนสุนัขเลยเหมือนไก่เลยเหมือนอะไรต่างๆเลยเนี่ยก็ไปเข้าใจเป็นสิงั่นในรายละเอียดตรงนี้ก็ที่จริงจะไปปรากฏชัดเลยก็คือในสีน่นะดีทศตรงนี้เทีนี้ถ้าถามบอกว่าในกรณีของบรารมีทุกข้อ ในการมคุณในสงสารนะปัญญาพิจารณาเห็นโทษในการคองเรือนปัญญาที่พิจารณาเห็นคุณในในเนคขมมะและอนิสงในการบรรพชาในฌานในสมาบัตและในพระนิพานคันออกบวชแล้วก็ยังฌานสมาบัตให้เกิดมุ่งหน้าต่อนิพานและยังคนอื่นที่ตั้งอยู่ในฌานสมาบัตนั้นลักษณะอย่างนี้เป็นปัญญาเป็นตัวนำนะไม่ยังความเพียรที่ปราศจากปัญญาเพียงตั้งความปรารถนาให้สาเร็จ โดยพ่อเริ่มที่ไม่ดีการไม่เริ่มเขาบอกว่าเออเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากว่าการเพียนผิดเนี่ยสู้ไม่เพียนซะเลยดีกว่าใช่ไหมน่ะอาถ้าเราเพียนผิดกับการที่เราไปนอนเนี่ยอะไรอะไรอะไรดีกว่ากันนอนดีกว่าก็ อ, อยู่ในพวังดีกว่าเพียนผิดเนี่ยเพราะเพียนผิดเนี่ยมันสร้างอัธยาศัยผิดด้วยไหม อธยาสายผิดด้วยสร้างเหตุปัจจัยผิดด้วยเช่นไปเพียนโลภเพียนกโกรธแล้วก็เพียนมัวเมาลุ่มหลงเนี่ยหรือไปเพียนทำบาปเนี่ยเป็นนอนหลับยังดูดีกว่าใช่ไหมล่ะถ้าถึงบอกว่าในในคำสอนต่าถึงใช้คำว่าบอกว่าความเพียนประกอบด้วยปัญญาเนี่ยประเสริฐไม่ประเสริฐกว่าการปฏิบัติโดยอุบายนะอันหนึง่งก็บอกว่า ปาสจากปัญญาตั้งความปรารถนาสําเร็จเพราะการเริ่มไม่ดีการไม่เริ่มยังประเสริฐกว่าการเริ่มที่ไม่ดีนะประการต่อมาก็คือว่าถ้ามองถึงในเรื่องของกําลังของปัญญานะที่ไปอุปการะในการที่จะทําให้ความเพียรนะั้นเข้าถึงความสําเร็จได้ก็เป็นภูมิของปัญญาเป็นผู้มีความอดกั้นด้วยแม้ความอดทนประเภทของขันติทั้งหลายก็มีปัญญาในแหละเป็นปุเรจาลิกผู้มีปัญญาส า, าม ไม่เป็นผู้อดกลัน้นถามว่าถ้าหากว่าเรามีปัญญาสามหรือไม่มีปัญญาจะกล้าอดกลันนะ้นไหมไม่ดังั้นคนที่มีความอดกลั้นน้อยก็คือมีปัญญาน้อยเด๊ะป่วยยีได้ไหมนี่ยได้หรือไม่ได้ถามว่าถ้าคนมีปัญญามากเขาจะมีความอดกลั้นมากไหมมากใช่ไหมล่ะ อันนี้พูดถึงในฐานะอย่างภาษารีบวชจะเป็นคนมีอดความอดกั้นมากเพราะมีปัญญามากพระพุทธเจ้ามีปัญญามากจึงมีความอดกั้นมากเพราเรามีความอดกั้นน้อยเพราะมียมังไงเพราะมีปัญญาไม่มากเพราะมีปัญญาไม่มากเห็นไหมว่าจริงๆก็คือว่าความอดกลั้นทั้งหลายเหล่านี้ท่านเห็นโทษเห็นโทษว่าสัตว์ทั้งหลายที่เดือดร้อนกันในสังสารวัฏก็เพราะไม่มีอนติและจะพากันไปเดือดร้อนในภพถัดไปก็เพราะปราศจากันติทั้งนั้น ฉะนั้นมาพิจารณาอย่างนี้ให้สังเกตดูนะพระในสมัยก่อนที่ท่านไปพิจารณาใช่ไหมที่ท่านไปนั่งตากแดดอยู่เนี่ยแล้วเ้าก็ถามท่านว่าไม่ร้อนหรือไงพระเถระท่านบอกว่าเอเวจีร้อนกว่านี้ตอนนั้นพัดจิตใจ จ, จิตท่านผูกไว้กับเอเวจีมหานรกท่านบอกว่าในสังสารวัตรเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้เนี่ยเราเคยไปหมกไหมในเอเวจีมามากแล้วฉะนั้น ท่านก็เลยเอาเอาเวจีเป็นอารมณ์อยู่ในการพิจารณาเห็นทุกขัตย์ในขณะนั้นท่านจึงไม่ยอมละจิตของตนเองออกจากศีลสมาธิปัญญาออกจากกรรมฐานเลยก็ผูกใจอยู่กับอารมณ์นั้นเท่านั้นยังขันติด้วยการมีปัญญาเข้าไปกํากับพิจารณาเห็นโทษของการขาดขันติเห็นคุณของการมีขันติก็พิจารณาอย่างนี้บางกลมก็พิจารณาถึงโลการตริยานรกใช่ไนรกที่หนาวที่สุดในเวลาท่านประสบกับอากาศที่หนาวสุด ท่านก็ไม่กัวนกระวายไม่สะทกสะทานเอาจิตไปผูกไว้บอกว่าในสังสารวัตเบื้องต้นอันที่สุดนั้นบุคคลรู้ไม่ได้เราเคยเกิดเป็นสัตว์นรกประเภทหนึ่งที่มีความยาวถึง3ขาวุฒ12กิโลเมตรเนี่ยตัวยาวเกาะอยู่ตามผนังขอบจักรวาลมีความหนาวเหน็บเกาะไปมืดก็มืดมองก็ไม่เห็นกันพอเจอกันขึ้นมาก็กระโดดคว้ากันกินคว้าผิดก็ตกลงไปในนรกน้ำกรด ตัวก็แหลกละเอียดแล้วก็กลับกลายเป็นสัตว์นรกใหมก่กระปีนป่ายกินกันอยู่อย่างนี้นะในสังสารวัตเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้ท่านพิจารณาอย่างนี้ท่านก็อดทนต่อความหนาไวไว้ได้ได้เอาใจผูกไว้กับการนึกถึงสัตว์นรกเป็นอารมณ์ก็เห็นทกษัตริย์เบ็ดเสร็จนี้ท่านก็สะดุง้งสะเตือนกลัวภัยในสังสารวัตรอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพิจารณาถึงความหิวในอัตภาพของเปรตใช่ไหมกาลิชกาลัญกาลัญชิกาเรือ การันตีกากะเปรดหรือเปรดที่ที่ไม่ได้กินน้ําอ่ะที่ตนเองโอ้หิวมากก็เลยมาทํากายให้มันมันห ย, ยาบหยาบหน่อยมาในโลกมนุษย์เบียดเสด็จก็มาวิ่งกล่าวว่า น, นี่โอ้หิวจัดแล้วขอดื่มในมน้าในแม่น้ํำคงคาหน่อยเปรดตัว น, นี้ก็วิ่งอยู่ทั้งวันอ่ะวิ่งเรียบแม่น้ํำคงคาวิ่งไปก็วิ่งมาวิ่งไปก็วิ่งมาได้ยินแต่เสียงแต่หาน้ําไม่เจอเท้าเหยียบไปที่ไหนก็เป็นหินดาดเป็นหินดาดร้อนด้วย วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งไปเบเสร็จตื่นช้ามามีภิกษุ30รูปออกจาลิกบินธบาทเพอบินธบาตไปก็เจอใช่ไหมเจอเปรตถามว่าอุบาสกท่านวิ่งอะไรอยู่หาน้ำเอา้าที่ท่านเดินเหยียบอยู่นั่นน่ะน้ำอ่ะเนี่ยเดินเหยียบริมฝั่งน้ำอะเขาบอกว่าท่านได้ยินแต่เสียงแต่ไม่เห็นน้ำงั้นนอนลงเดี๋ยวเราจัดการให้พระก็อาบาดไปตักน้ํามสิบใบนะ ให้เปรดอ้าปากก็ น, น้ำกอกครบหมดทุกคนแล้วถามบอกว่าท่านน้ําเข้าไปในปากท่านบ้างไหมบอกว่าถ้าน้ํานี้เข้าไปในปากข้าพเจ้าแม้เพียงหยดเดียวขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้พ้นจากกัจจภาพความเป็นเปรต เ, เ, เ, เลยไม่เคยเข้าไปเลยแม้แต่หยดนึงทรมานมากกรรมมันปิดกรรมความโลภไะ นี่เห็นไหมภาวะของความเป็นเปรตไอ้พวกลักขโมยอะไรทั้งหลายปิดกันป้องไอ้ปิดเอ่ยที่ว่าตัดรอนทำให้คนตนเองคนไม่ได้ดื่มน้ำดื่มท่าอะไรทั้งหลายกรรมประเภทเหล่านี้เสียหายมากหิวในสังสารวัตรเนี่ยพระเพชจารณาอย่างนี้จิต ก, ก็โผกโผกไว้กับกรรมฐานเท่านั้นพราะกลัวความหิว เวลาจนเองประสบความหิวก็ไม่กังวลกวายแล้วไม่กลัวแล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่ขันติทั้งนั้นนี่มาจากปัญญานเนี่ยเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเดินปัญญาเขาเดินกันอย่างนี้นะกรรมสัสตตาปัญญาชัดไหมแบบนี้ยเห็นกรรมและเห็นผลของกรรมเห็นชัดเจนอย่างนี้เบียเสร็จก็เกิดความสะดุง้งสะเทือนกลัวภัยในสังสารวัฏลองดูอย่างเราท่านทั้งหลายดูอะไรดีดูไบรรยสัตว์พวกสัตว์ดิบฉานไงดูสัตว์ดิบฉานที่ถูกทรมานเนี่ย คนเคยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็ดูที่คนเคยเลี้ยงช้างดูเขาใช้ขอสับช้างเนี่ยมาเอวยช้างเอวยต่างต่างเลยโดนขอโดนมีดสับโดนไมเรียวตีใช่ไมดูที่เนี่ยควายเอยวัวควายทั้งหลายโดนตีหมูโดนเชือดโดนแทงเนี่ยในสังสารวัตเนี่ยเบื้องต้นที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้เราเป็นมาแล้วเนี่ยพอพิจารณายอย่างนี้ก็เอาจิตผูกไว้กับกรรมฐานทีนี้ ถ้ามาพิจารณาอย่างนี้กับบุคคลผู้อุปถัมภ์ตนด้วยปัญญาเป็นน้นใจสมาทานไม่หวั่นไหวผู้บริบูรณ์ด้วยขันติผู้มีปัญญาเท่านั้นรู้สัจจะเนียเคียร์แทงสัจจะและทำที่เป็นปฏิปัติต่อความจริงก็ไม่ไม่กล้าร่วงละเมิดก็ไม่กล่าวผิดแต่ผู้อื่นผู้อุปถัมภ์ตนด้วยกําลังของปัญญาผู้ตั้งใจสมาทานไม่หวั่นไหวในบารมีทั้งปวงด้วยการถึงพร้อมด้วยปัญญาผู้มีปัญญาเท่านั้นไม่ทําการแบ่งแยก ของที่รักและของเป็นกลางและที่เป็นศัตรูเป็นต้นลักษณะอย่างนี้คืกรรมมันเป็นโลกิยาปรากฏแก่ผู้ที่ไม่สามารถบรรลุได้ถ้ามองอย่างนี้ก็จะเห็นชัดของสภาพของปัญญานีทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เห็นก็คือว่าปัญญาเนี่ยที่บอกเป็นแสงสว่างเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นมาเนี่ยทำลายทําลายโมหะ อันเป็นความมืดฉะนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยที่หวังปัญญาบา ร, รมีที่สมบูรณ์จึงควรเว้นเหตุแห่งโมหะก่อนอะไรเนะเชื่อว่าเป็นเหตุของโมหะอ่ะเรารู้ไหมอะไรที่จะเป็นเหตุทําให้โมหะเกิดได้ง่ายหนึ่งความริษยาให้ความริษ ย, ยาเป็นเหตุทําให้เกิดโมหะความเฉยชาเป็นไหมล่ะไอ้คนไม่ค่อยกระตือรือร้นในการศึกษาคำสอน คนซบเซาวความเกียจค้านอันนี้เป็นเหตุของโมหะหมดเลยเนี่ยเกียจทําให้ปัญญาดับความยินดีในการคุกคีได้หมู่คณะนี่เป็นเหตุของโมหะท่านอย่าทําเช่นว่าชอบคุกคีคุกคีในที่นั้นเขาเรียกคุกคีด้วยตัณหาคุกคีด้วยตัณหาความหลับง่ายอาใครเป็นบ้าง หลับง่ายเป็นเหตุโมหะนะไม่ใช่เหตุของปัญญาเนะยอย่าทำถ้าอยงนี้ทาให้ปัญญาดับแป๊บเดียวก็หลับแป๊บเดียวก็หลับเนี้ยหลับถ้าใครยกมือหน่อยใครใครหลับง่ายไม่ค่อยมีนะในห้องนี้อันนี้หลับง่ายเป็นเหตุของโมหะหรือเหตุของปัญญาอย่าทําอย่าทําหลับง่าย นั่งก็หลับยืนยังหลับได้เลยล้อคนละยามอันนั้นท่านกำหนดหลับคนคนที่มีปัญญาเนี่ยเขากำหนดหลับกำหนดตื่นได้ไอเราเนี่ยจะกำหนดหลับก็ตื่นจะกำหนดตื่นก็หลับใช่ไหมล่ะ ไอ้เวลาอยากจะให้หลับไม่หลับอยากจะให้ตื่นมันไม่เคยตื่นฟุ้งซ่านเป็นนิดอันนี้ก็เรียกอุทธจักระเยอะโมหะมากงั้นโมหะมากนี้ต้องแก้ไขลักษณะนี้เป็นการก็าต้องบอกว่าเขตของโมหะเขตของโมหะคือความริษยานี่หูสาคัญมากเห็นเขาได้ดีมันทนอยู่ไม่ได้กระวลกวาดี๋ว้ว้ริษยาเนี่ยเออริษยาอย่างนี้ขอไปนะริษยาคือ อิสากับฤษยาอันเดียวกันใช่ไหมอิสสากับฤษยามนมีโมหะข้อ ง, งามาความเฉืยชาไม่ค่อยกระตือรือร้นเนี่ยปัญญาไม่ค่อยเกิดนะพรงเนี้ยแล้วก็ความซบเซาไปนั่งที่ไหนก็เป็นคนง่อยๆเป็นไหมคนง่อยๆเ ง, งาเง า, งาเนี่ยคือไม่ถ้าถกว่าเป็นคนไม่สมมะนัดเนะี่ยแต่ไม่ใช่หัวรอทั้งวันนะถ้าชอบคนเลยตรงเนี้ย ปรเภ ท, ที่ยวนั่งก็ง่อยๆซึมๆเงียตาซึ่งๆเนี่ยนะพอรู้คำสอนตรงนี้ที่ไปเห็นคนอื่นแล้วน่าคิดแล้วก็เกียดค้านเป็นคนทำอะไรก่อนเอาเต็ น, นอนไม่ค่อยทำอะไรหรือทำอะไรก็ช้าเกียดค้านยินดีในการคุกคลียก็หลับง่ายแล้วอีกอย่างหนึ่งนะการฟังอะไรเป็นคนตั้งใจไม่แน่วแน่นี่เหตุโมหะหมดเลยนะเหตุของความโง่ความหลงเลยอนะไรเนี่ย คือจะทำอะไรก็ตั้งใจไม่แรงแล้วทั้งเพลินๆไปงั้นเนยไอ้ความตั้งใจไม่สูงความตั้งใจไม่แน่วแน่ความตั้งใจไม่มุกงมั่นสภาพของเจตนาความจงใจความจัดแจงตั้งใจไม่แข็งแรงไม่แน่แล้วก็วันๆไม่เคยสนใจเลยว่าอะไรมันจะเป็นปัจจัยเกี่บปัญญาไม่สนใจในญาณ น, นะไม่สนใจปัญญาเลยว่างั้นจะจะทำอะไรแต่ละอย่างเคยสนใจไมไอ้นี่ปัญญาจะเกิดยังไง ทุกชิ้นทุกเรื่องเน่ยเคยสนใจแบบนี้ไหมเอ๊ะปัญญาจะเกิดยังไงไม่ได้สนใจอย่างนี้เลยนะพวกโมหะไม่สนใจแล้วเขาว่าเย๊ะอย่างนี้ดีไหมดีเวลามีใครมาพูดอะไรนี่นะพูดแยกแยะฟังเพราะเราก็ฟังมึนๆเงี้ยพอฟังไปเสร็จก็เอเอได้ได้ได้ไอ้นี่เขาพูดอ่ะได้ได้ไ ด, ได้ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังอะไรเลยไม่สนใจยานนะเคยเป็นไหมล่ะคนง่ายๆอะ่ะ เป็นไม่เป็นเป็นเลยก็ก็อย่าไปทำเนี่ยลักษณะเงี้ยถือตัวผิดเป็นคนถือตัวผิดคำว่าถือตัวผิดนี่ก็แปลว่าอะไรไหมสำคัญว่ารู้แล้วสาคัญว่ารู้แล้วถึงแม้เรื่องเดิมก็อย่าไปสำคัญว่ารู้แล้วอย่างเงี้ยบอดสนิทเพราะมันจะไม่เปิดอะไรขึ้นมาได้เลยว่าถือตัวผิดและอย่างหนึ่งก็คือ ฟังไปงั้นงั้นแหละไม่ชอบถามนี่เหตุโมหาหมดเลยเนะี่ยไม่ชอบถามเลยฟังได้เอาเล่ามาอยากเล่าเล่าไปแต่ไม่ถามแล้วก็อีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวแต่ก็เกี่ยวเป็นคนไม่ชอบบริหารร่างกายให้ดีไม่บริหารร่างกายให้สมดุลเพราะการที่ร่างกายไม่ถูกบริหารให้ดีนี่แหละเลยไม่เป็นปัจจัยในความกระตืรอร้อนใช่ไหม เพราะอย่าลืมนะถ้ากายไม่กระฉับกระเฉงปัญญาก็เฉื่อยชาด้วยฉะนั้นก็บริหารร่างกายให้ดีเสียเหมือนจะมาฟังธรรมอย่างเนี้ยโอ้ยวันนี้คงสายฟังทั้งวันแล้วมั้งเนี่ยไม่ได้ดูแลร่างกายมาเลยบางคนโอ้ยวทั้งเครียดทั้งกุ้มมาอะไรก็ไม่รู้กะว่ามาฟังธรรมคงจะสบายมั้งมันนั่งหลับสิอย่างเนี้ยเรียบร้อยเลยลักษณะอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการบอกว่าบริหารร่างกายไม่ดีนี่เหตุของโมหะ แล้วก็จิตไม่ตั้งมัน่นพวกนี้สมาธิวอกแวกมากฟังกับแป๊บเรื่องนั้นแป๊บเรื่องนี้สารพัดเลยคือตั้งมั่นก็หลับด้วยนะพวกนี้นะไม่รู้เป็นอะไรแล้วตื่นก็ฟุ้งเนี่ยนิ่งก็หลับเนี่ยแก้ยากมากลักษณะเนี้ยเคยเป็นไหมละ่ะตื่นฟุ้งนิ่งหลับเนี่ยเป็นไหมไม่รู้จะแก้ยังไงมีอย่างเดียวแหละ ว, วิธีการที่สุดก็คือนั่งใกล้เพื่อนเอาเข็มให้เพื่อนแทะเล่มนึง เพื่อนบอก็เห็นเราก็จะแทงท้องหน่แทงแทงแทงหน้ า, ท, า, ท, าท้องหน่อยแทงปึ๊กปึ๊กปึกเรื่อยๆนะเขาเนี่นยเขาโกรธเพื่อนอีกตัวสากรีนิ้วไม่ได้อันนี้พูดแล้วอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นแล้วอย่างหนึ่งชอบคบคนปัญญาสามแปลกมากคือคนที่มีปัญญาทั้งหลายไม่ชอบไปคุยกับเขาถ้าใครไม่ค่อยมีปัญญาชอบไปคุยเราะมันจะข่มก็ได้หน่อยเข้าใจไหม เขคิดว่าโอ้โอเดี๋ยวคุยคนมีปัญญานี่ไม่ได้คุยที่ไเรเบ็ดเสร็จเนี่ยเป็นเหตุผลแล้วต่กของเขาทุกทีเลยอย่างนั้นเลยคุยกับคนปัญญาน้อยกว่าชื่นใจดีว่าที่ไหนได้เขตโมหะเขตุของความโง่ตัวเนี้ยอย่าไปทําอย่าไปทําเด็ดขาดนะีเห็นความโง่ไม่เข้าใกล้คนมีปัญญาใช่ไหมรู้ว่าคนนี้มีปัญญาเนี่ยไม่ยอมเข้าใกล้เขาไม่ยอมไปสอบถามเช่นรู้ว่าพระเจ้ามีปัญญาก็ไม่ยอมไปถามท่านใช่ไหมไม่ยอมไม่ถามท่าน คือเข้าใจอะไรก็ชอบเข้าใจมุมตนเองไงแต่จะฟังมุมของคนอื่นเนี่ยฟังยากแล้วตอเนี้ยดูหมิ่นตนดูหมิ่นตนดูยังไงดีมันดูหมิ่นสองอย่างนะดูหมิ่นตนว่าโอ้แก่แล้วอุ๊เราไม่รู้หนังสืออเราเรียนไม่ไหวดูหมิ่นอีกอย่างหนึ่งก็คือดูหมิ่นในลักษณะบอกว่าเร้เรล่าใช่ไหมเราป่วยเราป่วย ใช่ไหมอุ้ยยังไม่ถึงเวลาอะโดมินพวกนี้ยเหตุเห็นความโง่หมดแล้วก็ไข้ควนผิดคือฟังแล้วก็ไปคิดอีกอย่างฟังแล้วก็ไปคิดอีกอย่างโอ้โหกลุ่มไข้ควรผิดนี่แก้แก้ยากสุดใช่ไหมพอบอกเหตุผลอย่างหนึ่งเขาก็ไปคิดอีกอย่างหนึ่งด้วยความที่เป็นผู้มีอัธยาศัยที่จะพยายามผสมผสานไม่ยอมทิ้งของผิดเดิมของตนเองอยู่ ใช่ไหมต้องการฟังของพระเจ้าแต่ไม่ยอมสําลอกของเก่าทิ้งพวกสูตรผสมทั้งหลายต้องเอาต้องอ้วกออกให้หมดก่อนเนะียความเห็นผิดทั้งหลายเนี่ยเอาทิ้งให้หมดก่อนแล้วก็รับของพระเจ้าจริงๆอย่างเงี้ยใครควรผิดยึดถือวิปลาดยึดถือดิวิปลาดยึดมั่นในกายเช่นว่ากายที่ไม่งามให้สังเกตดูนะเหตุของความโง่ที่จะมากที่สุดก็คือว่าหนึ่งกายในปกติไม่งามใช่ไหม ผมก็ไม่งามขนก็ไม่งามเล็บก็ไม่งามฟันก็ไม่งามเห็นไหมขนผมฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกของไม่งามทั้งนั้นแต่เราก็มองว่าผมเรายังดีอยู่นะไอ้เช่นอย่างเงี้ยนี่เห็นถึงความมืดบอดเลยนะเนี่ยผมก็ยังดีอยู่ขนก็ยังงามอยู่เล็บก็ยังงามอยู่ฟันก็ยังงามอยู่หนังก็งามผิวก็งามเอ็นก็งามกระดูกก็งามอะไรเงี้ย พีจารณาอะไรก็ยังงามอยู่เออความคิดเราก็ยังดีอยู่นเนี่ยเนียังยังไงความคิดก็ยังเที่ยงอยู่เนี่ยเรียบร้อยอเลยนะี่ยเราก็ยังมีความสุขอยู่นี่มันตัวมันตนของเราเนี่ยคิดบ่อยๆที่ลองใส่ใจบ่อยๆแบบเนี้ยโง่เลยอะอยากโง่ไม่ยากเพราะปกติเนี่ยมนุษย์เนี่ยโง่กันอยู่แล้วใช่ไหมแล้วฉะนั้นถ้าเราจะซ้ําเติมให้เราโง่เนี่ยยิ่งง่ายมากเลยวิธีคิดนะวิธีคิดให้โง่นะงาม ตาก็งามผมก็งามเล็บก็งามฟันก็นงามผิวก็งามหนังก็งามเอ็นก็นงามกระดูกก็งามเนะี่ยงามเออเนีย่ยแล้วก็เที่ยงด้วยก็คิดอย่างนี้ไงคิดให้เกิดโมหะถ้าคิดแบบเนี้ยโมหะจะเกิดง่ายแต่คิดตรงกันข้ามเนี่ยมันคิดยากเพราะมันฝืนใจสัตว์แต่คิดไปเหอะใหม่ๆเนะี่ยมันฝืนความรู้สึกแล้วตั้งเจตนาลองดิเอ๊ ที่จริงใจมันก็งามอยู่ใช่ไหมใหม่ๆเนี่ยที่พุทธเจ้าว่าไม่งามใช่ไหมไม่งามมันก็ไม่งา ม, ม, งามยังไงก็ไข้ควรหนึ่ไข้ควรใช่ไหมเหมือนก็บอกว่าเออกายนี่งามเนี่ยเราก็ลองขัดเส็ตออกมาดูเนกายงามทําไมมันออกจากกายนี้มันทําไมมันน่าเกลียดขนาดนี้ใช่ไหมล่ะทายอุจรลปัสสาวะอุ้ยทำไมมันน่าเกลียดขนาดนี้นี่เราบ่งบอกเลยอ๋อแท้จริงมันไม่งามนี่เราหลอกตัวเองนี่ เออแล้วหมผ้าอยู่วันสองวันแค่ น, นี้ยเออมันทําไมเหม็นขนาดนี้เป็นผ้าเหม็นหรือกายเหม็นกันเนี่ยเนี่ยพอคิดจนารังอย่างนี้นะข้าวนะข้เขาเออกายไม่งามเออกายนี้ไม่งามเนี่ยเออไม่งามแล้วก็ไม่เที่ยงด้วยยังไม่เปลี่ยนแปลงตลอดเนี่ยโอ้เป็นทุกข์ด้วยถูกเบียดเบียนทั้งโด้วยทันท้าคือความเกิดและความดับหรือบังคับบัญชาไม่เป็นไม่สามารถบังคับบัญชาเป็นไปตามความต้องการได้เลยพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆนะเดี๋ยวก็เริ่มทายถอนปัญญาก็โล่งขึ้น แล้วก็ไม่มีความสังเวชไอค้คนควที่ยังโง่นี่นะเกิดมาไม่มีความสังเวชเห็นชาติภัยของการเกิดไม่เคย ส, ไ ม, คยสไม่เคยสะเทือนใจธรรมดาก็ว่าเออธรรมดาหมดเลยนะพวกนี้นะให้เกิดก็ธรรมดาแก่ก็ธรรมดาเจ็บก็ธรรมดาเขามองเหมือนธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เป็นธรรมดาของบุตรชนใช่ไห ม, มธรรมดาคนอื่นไม่เป็นไร มือนสัปเหร่อถามว่าสัปเหร่อเนี่ยถามว่ามีปัญญามากหรือมีโมหะมากเออไปเห็นตอนนั้นเห็นสัปเหร่อนั่งกินข้าวกระสบเนศพก็อยู่แตงนั้นยังไม่ทันเผายอมไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่กินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเออทำไมไม่เผาศพก่อนเดี๋ยวกินข้าวก่อนศพก็เน่างั้นอ่ะเออแกสามารถที่นั่งกินข้าวกระศอบได้เอาแล้วแล้ ว, ล ว, ลวยอมไม่เหม็นเลยนะโอยอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเลยก็บอกก น, น นึกใจเอ๊ะมันดีกว่าเราก่อนีนึกใจมันไม่ไม่ได้บวชแาไมัปงได้ขนาดนี้เอ๊ะแต่มันจะมากินเหล้าย่อมไม่กินเหล้าเราขอมียึดมั่นถือมั่นไงว่าไปแล้วเนี่ยโมหะกินแล้วนี่ก็จะเอไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่กินเหล้าอ่ะโซบรลีโอ้โหทําสารพัดหมดแ ล, แล้วแล้วแกเป็นคนไม่มีศีลมีอะไรเลยนะแต่แกบอกเฮ้ยมียึดทําไมก็ว่าไม่ใช่ตัวใช่ตนนี่ไง ชัดเลยเนี่ยโมหะโมหะเพราะไม่ได้รู้กรรมและผลของกรรมอะไรเลยก็เหมือนคนฆ่าสัตว์เนะี่ยคนบอกโยมไปฆ่าสัตว์ทําไมอ้าวก็ผมฆ่าสัตว์แล้วผมเอาไปถวายพระก็เห็นพระก็ฉันอยู่โอ้เรียบร้อยแลยไม่จะบอกมันยังไงเล ย, เยใช่ไหมล่ะเนี่ไปฆ่าทีลายไปถวายพระก็เห็นพระกินทุกทีอา้าวถ้าผมไม่ฆ่าแล้วพระจะอยู่ยังไงก็แล้วพูดยังไงแบบนี้อันนี้โมหะไหมเนี่ย โมหะเนี่ยตามอัจฉริยะาจารย์เรียกว่ามิจฉาญานะรู้ทุกเรื่องไม่รู้อยู่เรื่องเดียวว่ามัชฌิมาปฏิบัติเขาปฏิบัติยังไงนอกนั้นฉลาดหมดเลยนะฉลาดหมดรู้เหตุรู้ผลของอมิจฉาญานะมันรู้ผิดรู้ผิดเดียวลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าไม่สังเวชเห็นชาติภัยภัยใหญ่คือความเกิดก็ไม่สังเวช เห็นชลาภัยภัยใหญ่คือความแก่ก็ไม่สังเวชเห็นพญาธิภัยภัยใหญ่คือความเจ็บป่วยก็ไม่สังเวชเห็นมรณะภัยภัยใหญ่คือความตายก็ไม่สังเวชไม่สังเวชในภัยเหล่านี้เลยเห็นความโศกความร่ําไรลําพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจก็ไม่สังเวค่าเลยเห็นบาปอกุศลธรรมอันลามกที่คนทําแล้วได้รับผลของกรรมอย่างรุนแรงก็ไม่สังเวคะอบายภัยเนืน้ากลัวขนาดไหนก็ไม่สังเวชเนืไม่สังเวคะ ไม่มีสังเวคญาณนะคือญาณปัญญาที่ไปพิจารณาเห็นแล้วสะดุ้งสะเทือนไม่เห็นเลยนี่เขาเรียกว่าไม่มีความสังเวชแล้วก็นิวรกุ้มลุมเยอะการมาฉ่ำชันท่าก็หนานแน่นพยาปาท่านิวรก็หนานแน่นถีนมิท่านิวรก็หนานแน่นอุทะจักกุกุจ่านิวรห น, นานแน่นแล้วก็วิจิกิชานิวรเนี่ยทีนี้ผู้เสพทำโดยย่อปัญญายังไม่ก็ย่อมไม่เกิด ก็หมายความบอกว่าแล้วแล้ ว, ลว ท, ทั้งทั้งที่ตนเองเนี่ยนะเป็นผู้ที่หนาเ น, นีโดยอกุศลเียแต่ชอบเรียนธรรมะแบบยอ่อๆท่านอยากขยายมากว่าไหมกล่าวย่อๆก็ได้ว่าแล้วคนทุกวันเนี่ยสังเกต ด, ดูนะไม่ชอบฟังธรรมะอะไรมากๆให้สังเกตเนี่ยยอมหนังสือที่เล่มใหญ่ๆโตๆเนียไม่อ่านแต่เล่มไหนเล็กๆยๆ่อๆไอ้สั้นๆอ่านแล้วปัญญาอ่อนในชอบอ่าน ตั้งเกด้วนะอ่านแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกอันนี้ชอบอ่านหนังสือแบบนี้ท่านหาหนังสือที่สรุปใจความง่ายๆหน่อยได้ไหมอ่อันนี้รู้เดเลย ว, ว่าเขาชอบความโง่เขาไม่ค่อยชอบปัญญาอันนี้เรื่องจริงนะเคยเห็นไหมเราทุกวันนี้หนังสือเล่ม ใ, ใหญ่กับเล่มเล็กอันห้นแจกดีกว่ใช่ไหมก็เล่มเล็กขนาดเล็กๆยังไม่มีเวลาอ่านเลยเขาพูดอย่างนี้ คนทุกวันในขนาดเล่มเล็กเงี่ยฉะนั้นซีดีพอทําไปทําไปทำไปถามาเอาไปฟังไว้อเอาไปกองไว้โอ้เอาไปกองไว้ <c oughs> ไกว็ดีเหมือนกันน่กในใจว่าเออกองไว้สักวันหนึ่งพอวันหนึ่งพอมีทุกข์ถึงก็มาเปิดฟังยังไงพอมีทุกข์พอสมมุติไปผิดหวังเอ้ยไปเจ็บปวดเอ้ยไปทรมานเอ้ยพ่อตายแม่ตายลูกหลานตายเกิดการพัดพากเลยเอามาฟังอยู่พกักนึงพอจิตใจสดชื่นหน่อยเลิกฟังทําต่อ เอเป็นแบบนี้เขาถือว่าโอ้เขาวางใจได้แล้ ว, ว า, าก็ประมาท ต, ต่อไปเออจะทําไงดีอันนี้สร้างเหตุของโมหะหรือเหตุของปัญญาเนี่ยเนี่ยที่เกิดแล้วก็เสื่อมเนะี่ยผู้เว้นจากความหลงเหล่านี้พึงเป็นก็บอกว่าถามว่าเราจะทำยังไงให้ปัญญาเกิดก็ให้เว้นหนึ่งเว้นจากความลิสยาสองเว้นจากความเฉยชาเสีย แล้วก็เว้นจากความซบเซาเว้นจากความเกลียดคานเนี่ยเหตุปัญญาทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ความยินดีในการคุกคีก็เว้นจากการยินดีในการคุกคีได้หมู่ด้วยคณะนะสองอย่าเป็นคนหลับง่ายเออต่อไปอย่าเป็นคนหลับง่ายเยอะไหมเวลาศึกษาคําสอนนะถ้ากําหนดหลับก็ให้หลับกําหนดตื่นก็ตื่นแต่อย่าไปหลับง่ายแล้วก็ต้องตั้งใจให้แน่วแน่แล้วก็ ต้องสนใจปัญญาทุกอย่างต้องเกี่ยวข้องกับปัญญาเช่นให้ทานถามว่าเอ้ปัญญาจะเกิดยังไงรักษาศีลนปัญญาจะเกิดยังไงเช่นคุยกับสนทนาเหล่านี้ถามเอ้ปัญญาเกิดหรือไม่เกิดนั้นทุกอย่างให้พิจารณาจะทำให้ปัญญาเกิดยังไงสรุปง่ายๆคืออย่างนี้ง่ายๆคือว่าพอเห็นเห็นปุ๊บเนี่ยนะให้พิจารณาเบื้องต้นเลยว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นผล เอ่ยมาจากกรรมอะไรเนี่ยฝึกคิดเนะี่ยนะเี่ยมาจากบุญหรือมาจากบาปเนี่ยสิ่งที่เห็นเนี่ยพวกอย่างนี้ก่อนนะย่อยๆนะพอได้ยินปุ๊บเนี่ยให้ฝึกว่าเอ่ยนี้นี่เสียงที่ได้ยินเนี่ยมาจากบุญหรือบาปเหตุไงมาจากเหตุที่บุญหรือบาปกลิ่นที่ได้รับปุ๊บเนี่ยก็ให้คิดพิจารณาสาวไปดูแล้นี่มาจากเหตุของบุญหรือเหตุของบาปรสที่กินมาจากเหตุของบุญหรือบาปสัมผัสเยนน็นระ้อนสิ่งแวดล้อมที่เราได้รับดีหรือไม่ดีเนี่ย มาจากบุญหรือบาป พ, พิจารณาอย่างนี้อันนี้คือการฝึกให้ปัญญาเกิดแล้วก็สั่งสมอะไรให้มากทําความเพียรในปหุสุตตะเพียรในปหุสุตตะรู้ไหมเพียรยังไงเพียรเก็บข้อมูลในคําสอนเก็บข้อมูลในคําสอ น, อล น, สอนแล้วเอาข้อมูลมาย่อยมาวิจัยให้ใช้ให้ได้จริงในชีวิตเพื่อจะได้เป็นปจัจจัยในการเดินศีลเดินสมาธิปัญญาด้วยประการอย่างนี้นี่ลักษณะอย่างนี้ก็คือว่า โงุสตาคืออะไรจะเก็บเรื่องอะไรดีเก็บเรื่องขันห้าใช่ไหยเริ่มมาแยกเรื่องรูปะขันเวทนาขันสัญญาสังขารวิญญาณเอาไปฟังเรื่องอะไรเรื่องอายะทะนาสิจากขวายะตนารูปายะตนาโสตายะตนาศัทธายะตะนาก็ไลไปตามเลยเนอะแล้วก็เรื่องธาตุสิเรื่องอริยสัจสเรื่องอินทรีย์2ีเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องสติปัฏฐานและธรรมประเภทที่เป็นกุศลอกุศลอภิญญาตะทั้งหลาย ก็ไปแยกแยะอันนี้เรื่องยาวเลยท่านผ้ยนะแต่แต่พวกเรามันต่างกันตรงนั้นพอเราไปแยกได้ เ, เสร็จก็ไปท่องกันรู ป, ปะขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันใช่ไหมแล้วก็ไปท่องแยกแยะเรื่รูปะขันมีมหาพูทและอุบาทายรูปเวทนาขันสุขเวทนาทุกขเวทนาเวขาเวทนาสัญญาขันจําในสีจําในเสียงจําในกลิ่น สังขารละขันธ์ที่เป็นบุญและเป็นบาปวิญญาณขันธ์จากขูวิญญาณโสตวิญญาณคาณวิญ ญ, ญาณชิวหาวิญญาณกายยวิญ ญ, ญาณมนโนญาณท่องจบก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วมันได้อะไรดิเนี่ยเออได้จําแล้วแล้วชีวิตจริงมันเกิดยังไงอคิดไม่ได้แล้วมันเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงยังไงเนี่ยใช่ไหมเราเราเอามาใช้ในชีวิตจริงไม่ได้ เวลาเราท่องเห hey, ตุปัปจโยระมานาปจโยติปะท่องกันยังจะไม่รู้เลยเหตุตุปัจามันเกิดยังไงชีวิตจริงเห็นไหมเระเราเกี่ยวข้องกับคนคนนี้ยเวลาเราโกรธขึ้นมาเนี่ยเมันเป็นไอโลภาเหตุโทสาเหตุหรือโมหะเหตุแบบไหนเนี่ยมันเกี่ยวข้องแบบเนี้ยแล้วเหตุแบบนี้เป็นอกุศลแเหตุเป็นเจตนากรรมด้วยเนี่ยมันจะให้ผลยังไงเนี่ยแล้วรากของเหต์ตัวนี้มันฝังลึกในกระแสชีวิตของเราแล้วเนี่ยแล้วมันจะเจริญงอกงามในกระแสชีวิตของเรายัางไงน้ะเนี่ย แล้วเจตนากรรมที่มันฝังลงในกระแสใจเหล่านี้แล้วมันจะได้วิบากได้วิบากได้ผลยังไงเนาะเนี่ยเรื่องเฉดเรื่องผลเรื่องปัจจัยเรื่องปัจจุบันก็ไม่ชัดเอาล่ะสิแต่นี้แล้วชีวิตจริงมันจะไปไหนล่ะถ้ามันไม่ไปชมได้ในชีวิตจริงเหล่าเนี้ยเอาซีอธิบายไปที่คล่องปากขึ้นใจเลยใช่ไหมนะแล้วมันเอามาใช้ไม่ได้แล้วปัญญาจะเกิดไหมอย่างเงี้ยสั่งสมสุตตานะถูกต้องไม่ใช่ไม่ดีนะดี ก็คือว่า